วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นวันพระวันธรรมสวนสะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันตัดภบตัดชาติ ให้หมดสิ้นไปจากใจการที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของเราให้หมดสิ้นไปได้นั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราต้องไประ ง, งับเหตุที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน เหตุที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาความอยากมีอยู่สามชนิดด้วยกันคือหนึ่งกามาตัณหาความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆสองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะมีชีวิตยืนยาวนานเรียกว่าภาวะทันหาสามวิภาวะทันหาความอยากไม่เป็นความอยากไม่อยู่ไม่เป็นคืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่เสื่อมจากราบยศสรรเสริญสุขเป็นต้นความอยากเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่พาให้ดวงวิญญาณของพวกเรามาเกิดอยู่เรื่อยๆมามีร่างกายอยู่เรื่อยมาหาร่างกายเพราะจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการทําตามความอยากทั้งสามนี้อยากจะใส่รูปเสียงกลิ่นรด โหดพะก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมืออยากจะร่ําอยากจะรวยอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นโตก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมื อ, อมแล้วเมื่อได้มีร่างกายแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียร่างกายไปความอยากเหล่านี้นอกจากพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆแล้ว ยังเป็นตัวที่พาให้เรามาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันทุกวันนี้มันทุกข์เกิดจากความอยากทั้งสามอย่างนี้เท่านั้นเองคือทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยากพออยากขึ้นมาปั๊บใจจะอยู่ไม่เป็นสุขละใจต้องเดินใจต้องวิ่งเต้นต้องเล่นลน หาสิ่งที่อยากได้มาอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขแล้พอเกิดความอยากขึ้นมาในใจนี้อยู่ไม่เป็นสุขการอยู่ไม่เป็นสุขก็เรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึง่งแล้วเมื่ออยากเราก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาพอไม่ได้ก็เสียใจก็ทุกข์อีกแล้วถ้าได้ก็จะดีใจเดี๋ยวเดียว แล้วก็มาทุกข์กับของที่เราได้มาเพราะเราต้องคอยรักษาดูแลคอยวิตกคอยกังวลคอยห่วงใยกับของที่เรามีของที่เราได้มาของที่เรารักเราชอบแล้วเดี๋ยวต่อให้เราดูแลให้ดีอย่างไรก็ตามวันหนึ่งเขาก็า จ, จะจากเราไปก็ได้ พอ เ, เขาจากเราไปก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจอีกความอยากมันเป็นตัวที่สร้างความไม่สบายใจแห่งแต่ตอนที่เริ่มต้นอยากเลยพอเริ่มต้นอยากได้อะไรก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วล้วก็ต้องไปดิ้นลนหาสิ่ ง, งที่อยากได้มาพอได้พอไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจก็ทุกข์อีกพอได้มาก็ต้องมาวิตกกังวล มาคอยดูแลรักษาของที่ได้มาอีกก็เป็นทุกข์อีกแล้วพอสูญเสียของที่เราดูแลรักษาไปก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนี่แหละคือความทุกข์ต่างๆที่มันมากับการเกิดแก่เจ็บตายมากับการเกิดและเหตุที่พาให้ม า, มาเกิดกันก็คือความอยากทั้งสาม กามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นมีภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราอยากจะยุติความทุกข์ต่างๆที่มีในใจยุติการมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้และการที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่า ต้องมีเครื่องมือเครื่องตัดความอยากให้มันหมดไปจากใจถ้าเปรียบเทียบก็ความอยากก็เป็นเหมือนหญ้าที่เราปลูกทำเป็นสนามหญ้าเวลาหญ้ามันงอกขึ้นมาเราก็ต้องคอยตัดมันเราก็ต้องมีกัรไก่ตัดหรือเราก็ต้องมีรถตัดหญ้าเป็นต้นเราถึงจะสามารถตัดหญ้าที่มันงอกขึ้นมาได้ ฉันในการตัดภพตัดชาติเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาตัดความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจเครื่องมือที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบที่จะเอามาใช้ในการตัดภพตัดชาติด้วยการตัดต้นเหตุของภพของชาติก็คือตัดความอยากต่างๆก็คือ การปฏิบัติทานศีลภาวนานี่นี่เป็นการที่เราจะที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะเอามาตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรดึงใจให้ไปเกิดเด็กต่อไปพพชาติที่มีมาเป็นจำนวนมาก ก็จะสิ้นสุดลงถ้าเราสามารถปฏิบัติทำที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์คือตัดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. เครื่องมือที่เรามีนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ที่ที่เหมาะกับ เราในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนแรกนี้เราก็ใช้การทําทานก่อนเพราะการทําทานนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่เรามีอยู่เรามักจะใช้เงินทองไปทําตามความอยากตา่างๆการทําตามความอยากก็เป็นการเพิ่มพพชาติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้นพอเรามีเงินขึ้นมาเราก็อยากจะไปเที่ยวกันนะ้วสมัยนี้ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ่อยกันง่ายขอให้มีเงินสักก้อนก็ไปได้แล้วสี่ห้าวันการไปเที่ยวก็การไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็คือการทำตามกามาตัญหานีอ่อยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอาหารที่ แปลกจากบ้านเราเต้องดืงที่แปลกจากบ้านเรารูปเสียงกลิ่นรสที่แปลกจากบ้านเราอยู่อยู่ที่บ้านเราเราเห็นของเหล่านี้ของที่บ้านเรามันจําเจโดยกระทั่งมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่เกิดความสุขอยากจะเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสกันพอมีเงินปับ๊บก็คิดถึงการไปเที่ยวกันก่อนเลย แต่ไม่รู้ว่าการไปเที่ยวนี้เป็นการไปทำตามความอยากทำตามความอยากที่จะพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยเพราะเพราะว่าความอยากนี้ถ้าเราทำตามแล้วมันจ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>ความอยากนี้มันจเจริญด้วยการทำตามความอยากแล้วมันจะลดลงด้วยการฝืนการไม่ทำตามความอยาก ถ้าเราอยากจะตัดพบตัดชาติตัดความอยากให้น้อยลงไปเราก็ต้องฝืนไม่ไปทำตามความอยากแต่พอเรามีเงินอยู่ในมือแล้วมันอดไม่ได้ต้องไปทำตามความอยากพระพุทธเจ้าก็มีวิธีแก้ว่าเราสามารถที่เอาเงินนี้ไปทำอย่างอื่นได้และได้ความสุขดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไป ทำตามความอยากก็คือให้เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนแทนที่จะไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญการทำบุญนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำกับวัดกับพระเพียงอย่างเดียวคำว่าบุญนี้ก็คือการให้ให้ทานการให้เงินทองของเรากับผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้เช่น <c oughs> ถ้าเราเป็นคนมีความกตัญญูกะตะเวที เรานึกถึงพ่อแม่ของเราก่อนพ่อแม่ของเราท่านมีบุญมีคุณกับเรามากเราอยากจะทดแทนบุญคุณเราเอาเงินก้อนนี้ไปให้พ่อแม่ดีกว่าให้พ่อแม่เก็บเอาไว้ใช้พ่อแม่ก็แก่ลงแก่ลงไปเงินทองท่านที่เคยหาได้ก็อาจจะหาไม่ได้แล้วก็เอาเงินทองที่เราจะไปเที่ยวนี้ ไปให้กับพ่อกับแม่พ่อแม่จะได้เอาไว้ใช้ซื้อของจำเป็นได้ซื้ออาหารจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรต่างๆที่จาเป็นต่อการครองชีพได้พอเราได้ทำบุญกับพ่อแม่แล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจความสุขใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยว เราไปเที่ยวสี่ห้าวันกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็จางหายไปบ่อยให้ใจเรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกอยากจะไปเที่ยวใหม่อีกแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญนี้มันจะไม่เกิดความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดความสุขใจอิ่มใจไปเรื่อยๆไม่ใช่ชั่วประเดียวประดาทุกครั้งที่เราคิดถึงเงินทองที่เราไปทาบุญ เราจะมีความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นทุกครั้งไปเพราะบุญเพราะความสุขใจคือบุญนี้มันไม่หายไปจากใจของเราเหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวพอเรากลับมาบ้านมันก็หมดไปแล้วถ้าไปคิดถึงที่เราเคยไปเที่ยวอีกแทนที่จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจกลับทาให้ความความรู้สึกหิวขึ้นมาอีกอยากขึ้นมาอีก ทำให้เขามีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับที่เราอยู่สิกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสิทุกครั้งที่เราคิดถึงที่ที่เราเคยไปเที่ยวเพราะมันทําให้เกิดความอยากจะไปเที่ยวอีกแล้วพอไม่ได้ไปทำตามความอยากมันก็เลยเกิดความเศร้าความหงอยเหงาขึ้นมาอันนี้คือความแตกตา่างการใช้เงินที่เป็นเป็นประโยชน์กับจิตใจ หรือการใช้เงินที่เป็นเป็นโทษแก่จิตใจถ้าใช้เงินตามความอยากเป็นโทษกับจิตใจาะจะเพิ่มความอยากไปเที่ยวอยู่เรื่อยให้มีมากขึ้นไปเรื่อยเที่ยวแล้วมันไม่อิ่มไม่พอก็อยากจะไปเที่ยวใหม่เที่ยวกี่ครั้งมันก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็ต้องดิ้นรนคอยหาเงินหาทองไปเที่ยวอยู่เรื่อยเที่ยวไปใช้เงินไปหาเงินไป จนแก่ตายพอตายไปความอยากไปเที่ยวมันก็ไม่หมดไปจากใจมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่เพื่อเราจะได้ไปเที่ยวใหม่อีกแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานความอยากไปเที่ยวมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะเราไม่ได้ทำตามความอยากเที่ยวทุกครั้งที่เรามีเงินจะไปเที่ยวแล้วอยากจะไปเที่ยว เราก็เอาเอาเงินไปทําบุญแทนพอเราทําบุญเราก็ได้ความสุขใจดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวอีกแล้วก็ทำให้ความอยากไปเที่ยวนี้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากเที่ยวก็จะหายไปหมดเลยก็ได้ถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆ เพราะความสุขใจที่ได้จากการทำบุญมันจะทำให้เรามีความอิ่มใจพอใจไม่หิวกับการไปเที่ยวไม่มีความอยากที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นี่คือวิธีการใช้เงินทองที่เรามีอยู่นี้ให้มาช่วยในการตัดความอยากต่างๆความอยากเที่ยวหรือความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ได้นอกจากการไปเที่ยวแล้วก็ยังมีการซื้อของฟุ่มเฟือย อยากจะซื้อของแปลกๆใหม่ๆของแบรนด์เนมเสื้อตัวหนึ่งนี่ถ้าไม่มีแบรนด์เนมก็แค่ร้อยบาทถ้าปะแบรนด์เนมเข้าไปก็กลายเป็นหมื่นบาทขึ้นมาเนี่ยบางทีก็อยากจะใส่ของมีราคาแพงๆเพื่อให้คนเขาเห็นแล้วอิจฉาแล้วทำให้ตวเองรู้สึกว่าเรามีความสุขเราเก่งกว่าคนอื่นเราวิเศษกว่าคนอื่น ความจริงมันแค่เป็นความรู้สึกที่หลอกเราไปเท่านั้นเองความจริงเราก็ไม่ได้วิเศษไปกับกระเป๋าที่เราซื้อรองเท้าที่เราซื้อเสื้อที่เราซื้อมาใส่<ม>ที่มีราคาแพงๆของใช้ต่างๆนี้มันมีไว้เพื่อรับใช้ร่างกายของเราเท่านั้นเองร่างกายเราต้องมีเครื่องนุ่งหม่มเราก็ต้องซื้อเสื้อผ้ามาใส่เวลาไปไหนมาไหนอาจจะต้องมีกระเป๋าใส่ของถือไปถือมา คนะลานี้เอาไปซื้อกระเป๋าพลาสติกดีกว่าถุงพลาสติกที่ไปซื้อของตามร้านนี่ก็ให้ถุงพลาสติกมาก็เอามาใส่ของได้เหมือนกับกระเป๋าที่เราไปซื้อเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนมันต่างกันที่ตรงไหนการใช้งานมันก็เหมือนกันกระเป๋าก็มีไว้ใส่ของถุงพลาสติกก็เอาใส่ของได้ถุงพลาสติกนี้ไม่ดีดีกว่ากระเป๋าอกไม่มีใครจะขโมยถ้าเป็นกระเป๋านี่มีราคาแพ ง, แพง เดี๋ยวเผลอไปวางไว้ที่ไหนก็ถูกเขาขโมยไปได้พอถูกขโมยก็เสียใจขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาอีกถ้าเราเป็นคนมีคนฉลาดมีปัญญาเราจะคิดถึงเหตุผลของการใช้ของเราไม่ได้ใช้ของเพื่ออวดโอ้ว่าเราเป็นผู้วิเศษเราเป็นคนร่ำคนรวยวิเศษขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันร่ำรวยขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน ไม่ได้แตกต่างกันไปตรงไหนเลยเราจะมาเรียกตนเองว่าวิเศษกับคนอื่นได้ไงคนที่ใช้กระเป๋าถุงพลาสติกมันก็เป็นคนที่ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกับเราต้องอเขาก็เขาก็แต่เขาสบายกว่าเราเขาไม่ต้องมาวุ่นวายกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของนั่มรวยต่างๆเขาฉลาดกว่า เขารู้ว่าคนเราวิเศษหรือไม่วิเศษนี้ไม่ได้อยู่ที่การมีข้าวของเงินทองต่างๆวิเศษด้วยคุณธรรมเรามีความดีหรือเปล่าเรามีเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาหรือเปล่าเรามีมรรคผลนิพพานหรือเปล่าเรามีอริยบุคคลอยู่ในใจของเราหรือเปล่าเรามีสุดาบันมีสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อยู่ในใจของเราหรือเปล่า อันนั้นแหละคือของวิเศษที่แท้จริงดูผ้าอาหารแต่ละรูปท่านมีสมบัติอะไรท่านก็มีแค่อัฐบริขารผ้าอาหันทุกรูปมีสมบัติเหมือนกันหมดแปดชิ้นด้วยกันมีบาดใบหนึ่งมีผ้าสามพื้นมีประคตลัดเอวหนึ่งเส้นมีที่กอนวดมีเข็มกับได้แล้วก็มีที่กรองน้ำ เนี่ยคือสมบัติของผู้วิเศษเช่นพระพุทธเจ้ า, าและพระอรหันตสาวกท่านมีแค่นี้สมบัติที่วิเศษแต่ที่วิเศษที่แท้จริงไม่ใช่สมบัติสมบัติเหล่านั้นเป็นเพียงแต่เครื่องใช้ไม้สอยเพื่อเอามาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปวันวันหนึ่งท่านนันเองแต่สิ่งที่วิเศษก็คือความเป็นพระอริยบุคคลของท่านท่านเป็นพระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นหรือเป็นพระอรหันตสาวกคำว่าพระอรหันต์ก็คือเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปผู้ที่มีสมบัติอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานเป็นของท่านอยู่ในใจมีความสุขระดับบรมสุขท่านไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาโอ้อวดใคร เพราะของเหล่านี้มันเอามาอวดใครไม่ได้มันอยู่ในใจของแต่ละคนสมบัติที่เอามาโอ้อวดการนี้มันไม่ได้ทําให้ใจนี้วิเศษขึ้นมาแต่อย่างใดไม่ได้ทําให้ใจมีความสุขขึ้นมาแต่อย่างใดความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขปลอมความสุขชั่วประดี๋ยวประดาวเวลาเอาทรัพย์สมบัติออกมาอวดมาโชว์คนอื่นเช่นวันไหนมีงานเลี้ยงก็เอาเพชรเอาต้มหูเพชรเอาแหวนเพชรเอาสร้อยคอเพชรมาห้อยคอ ใส่ไปเหมือนกั บ, บละครลิงใส่ไปให้คนเขาเห็นแล้วโอ้ยสวยโอ้ยดีโอ้ยวิเศษแล้วถ้าเกิดมันหายไปเราก็ความวิเศษของเราก็หายไปกับมันเลยก็แสแดงว่าเราไม่ได้ความวิเศษมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเลยมันอยู่กับที่สมบัติที่เราเอามาเอามาโชว์เอามาห้อยเอามาใส่ไว้เท่านั้นเองแต่ความจริงความวิเศษในตัวเราไม่มีเลย ถ้าเราไม่มีศีลเราก็ไม่มีความวิเศษถ้าเราไม่ใจบุญสุนทานเราก็ไม่มีความวิเศษในใจเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาของเหล่านี้แหละเป็นของวิเศษที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทรัพย์ภายในอริยรัพย์ทรัพย์ภายในทานก็เป็นทรัพย์ภายในอย่างหนึ่งทําบุญทําทานแล้วก็จะทําให้ใจเรากลายเป็นเทวดาขึ้นมาตายไปเวลาตายไปร่างกายตายไป ดวงวิญญาณของเราก็จะไปเป็นเทวดาทำทานรักษาศีลห้าได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเปรตเปน็นสุรกายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดิลฉานแล้วก็ถ้าเข้าสมาธิได้รักษาศีลแปดได้เข้าสมาธิได้ก็ไปพร ม, มโลกเป็นเป็นพระพรหมไปแล้วถ้ามีปัญญา เห็นอริยสัจสี่เนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไปเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิฎาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระอรหันต์นี่แหละคือความวิเศษของคนเราอยู่ที่ใจอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่ทรัพย์ภายในที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันด้วยการมาตัดความอยากต่างๆเนี่ย การที่เราตัดความอยากนี้เราได้ประโยชน์หลายประการเราตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปแล้วในขณะเดียวเราก็สร้างทรัพย์ภายในสร้างความวิเศษของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นเช่นให้ทําบุญทําทานเนี่ยเราก็จะกายใจของเราที่ตอนนี้เป็นมนุษย์ก็จะกลายเป็นเทวดาไปถ้าเรารักษาศี่ห้าได้ใจของเราก็จะไม่ตกต่ําใจของเราก็จะเป็นมนุษย์ อย่างน้อยก็ต้องเป็นมนุษย์แล้วเราเวลาตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราจะไม่ต้องไปใช้กรรมก่อนแต่ถ้าเราทาบาปทากรรมมาไว้ตายไปเราอาจจะต้องไปใช้กรรมไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนอสุลกายบ้างไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับกรรมบาปกรรมชนิดต่างๆที่เราทำว่ามีมากมีน้อยมีหนักมีเบา มีเหตุผลของการกระทำบาปว่าทำบาปเพราะเหตุใดท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าบาปเป็นบาปก็จะไปเป็นเดรัจฉานผู้เดรัจฉานเวลาเขาขโมยข้าของคนอื่นกินเขาไม่รู้ว่าเป็นของคนอื่นเขาไม่รู้ว่าบาปเขากินเพราะเขาหิวเขาก็อยากจะกินคนที่ไปขโมยข้าขคนอื่นกินก็เปนเหมือนกับสุนัขดีๆนี่ไปก็จะกลายเป็นเดรัจฉานต่อไป นี่คือเรียกว่าทำบาปด้วยความไม่รู้ทำบาปเพื่อเอาความอยู่รอดถ้าทำบาปด้วยความโลภพอมีพอกินแล้วแต่ยังโลภอีกก็ไปขโมยข้าวของเงินทองของคนอื่นเข้ามาอย่างนี้ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเห็นงูเข้ามาก็ตีมันให้ตายเลยทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้ตั้งใจจะมาทาร้ายเรา อันเพียงแต่หลงทางเข้ามาถ้าเรามีศีลล้วก็ไม่ไปฆ่าเขาไล่เขาไปหรือจับเขาไปไปไปปล่อยในที่ปลอดภัยต่อไปเราก็จะได้ไม่ไม่ต้องไปเป็นอนูสุลกายถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใครทำให้เราโกรธนี่จะต้องล้างแค้นตาต่อตาฟันต่อฟัอออนอย่างนี้ไปนรก น, นี่เราสามารถระงับการไปเกิด ตามสถานที่เหล่านี้ได้ด้วยการรักษาศีลห้าไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆเป็นต้นเราก็จะสามารถสร้างทรัพย์คือมนุษยทรัพย์ไว้ได้รักษามนุษยทรัพย์อย่างตาที่สุดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรายังตัดความอยากไม่หมดไปจากใจ เราไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานช้ยนี่ก่อนค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทำทำบุญทําทานเอาเงินที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราหรือเอาเงินไปเที่ยวนี่ไปทําบุญทําทานกับใครก็ได้กับคนที่เราเคารพรักที่มีพระคุณกับเราก่อนก็ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์แล้วก็ไปทํากับตามองค์กรต่างๆเราศรัทธาองค์กรไหนแล้วก็ไปทําบุญกับองค์กรนั้นก็ได้ แล้วเราก็จะได้กลายเป็นเทวดาขึ้นมาแล ว, วันพระอย่างวันนี้เราก็มาอยู่วัดกันมารักษาศีลแปดมาระ ง, งับความอยากด้วยการไม่เสพกามไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่นอนมันพูกหนาๆเตียงหนาๆผูกหนาๆเตียงสําราญที่มีความสุขมากเกินไปไอ้นอนกับพื้นแข็แง จะได้นอนไม่มากพักผ่อนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอเดินขึ้นมาจะได้เอาเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อที่จะได้ยกระดับจิตของเราให้ขึ้นไปเป็นพรหมถ้าจิตสงบเข้าฌานได้เราก็จะจิตของเราก็จะเป็นพรหมขึ้นมาเป็นพรหมนี้มีความสุขมากกว่าเป็นเทพเทพนี้มีความสุขน้อยกว่าเป็นพรหมแล้วก็จากพรหมเราก็เลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นพระอริยเจ้า ด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเห็นอา น, นิจังทุกขังอนัตตาเราก็จะกลายเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาได้กลายเป็นพระโสดาบันพระสะกีดาคามเมฆาอนาคามีและพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปเหล่านี้แหละคือวิธีการตัดภพตัดชาติพร้อมๆกันไปเลยเพราะเราจะตัดความอยากต่างๆ การที่เราใช้ธรรมะเหล่านี้มันเป็นมันเป็นการตัดภบตัดชาติตัดความอยากแล้วก็เป็นการสร้างทรัพย์ภายในอันเลิศอันวิเศษไปพร้อมๆกันตัดความอยากด้วยการไม่เอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปทําบุญทําทานกันตัดความอยากด้วยการไม่ทําบาปกันตัดความบาปด้วยการมาถือศีลแปดไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสเอาเวลามานั่งสมาธิ หยุดความอยากเวลาจิตสงบความอยากก็จะไม่สามารถทำางานได้เราก็หยุดความอยากไว้ชั่วคราว mm hmm. แล้วพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็พิจารณาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้เราเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องหยุดมันและสิ่งที่มันอยากได้มันก็เป็นทุกข์ mm hmm. สิ่งที่เราอยากได้คือรูปเสียงกลิ่นรสหรือลาบยศเสริญมันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่พอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากได้อย่างท้าวจนไม่มีความอยากหลงหลือภายในจิตใ จ, จอีกต่อไป พ อ, อไม่มีความอยากลงเหลือในใจใจก็กเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่มีมีพันนิพานเป็นพันนิพานขึ้นมาพันนิพานคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ปราศจากความอยากต่างๆที่จะพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากใจก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปใจที่ไม่ไปเกิดก็เป็นนิพานนี่นิพานังบรมังสุดขัง อยู่กับควาสุขอันเลิศอันประเสริฐความสุขที่เกิดจากการชำระจิตใจสักพอกให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากความอยากนี่แหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจพอตัดความอยากหมดไปจากใจแล้วก็ไม่มีตัวที่จะมาสร้างความทุกข์เมื่อไม่มีตัวที่สร้างความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือวันพระวันที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ให้พวกเรามาตัดภพตัดชาติกันมา มาลดให้มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนารักษาศีลแปจเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาตามลำดับแล้วความอยากก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆตอนในที่สุดความอยากก็จะหมดสิ้นไปจากใจอย่างแน่น อ, น, อนนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้เราจะมาปฏิบัติกัน เรียนรู้วิธีตัดความอยากแล้วตอนนี้เราจะมาตัดความอยากกันเครื่องเครื่องที่จะตัดความอยากท่านนี้เราเรียกว่าสมาธิเราจะมาหยุดความอยากอยากไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เวลาจิตนิ่งสงบนี้ความอยากทํางานไม่ได้เวลาจิตเวลาความอยากไม่ทํางานนี้จิตก็จะสงบจิตก็จะมีความสุขการที่จะทําให้จิตสงบเราก็ต้องควบคุมความคิดเพราะความคิดนี้เป็นเครื่องมือของความอยาก พอคิดถึง ท, ที่เที่ยวก็อยากจะไปพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้ความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้และการที่จะหยุดความคิดได้เราก็ต้องมีสติคือการระลึกเรู้ บ, รบังคับผูกใจผูกจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมให้ใจนิ่งให้ใจสงบอารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐาน เช่นพุโทโธพุธโทโธนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือดูลมหายใจเข้าออกนี้เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งหรือสวดมนต์ใบภายในใจก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถใช้กรรมฐานแบบไหนได้เวลาที่เรานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราไม่ได้นั่งเฉยเฉยไม่ได้ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆเราต้องการควบคุมความคิดบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้อยู่กับกรรมฐาน ถ้าเราอยู่กับพุทธโธได้แล้วก็ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่าท่องพุทธโธช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้แต่อย่าหยุดท่องไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจไม่คิดก็หยุดพักพุทธโธพักไปเดี๋ยวก็ได้กอใจจะเริ่มคิดใหม่แล้วก็พุทธโธใหม่สู้กับความคิดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะนิ่งใจสงบแล้วความคิดก็หายไปหมดจากใจชั่วคราว อ น, นั้นใจก็จะสงบเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานเข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ก่าความสุขทั้งปวงนี่คือการนั่งสมาธิเราต้องการนั่งให้ใจสงบไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการเห็นการเกิดดับไม่ต้องการเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นอะไรทั้งสิน้นเราต้องการที่จะให้ใจิตใจนิ่งใจพักผ่อนใจอยู่เฉย จะ อ, อยู่เฉยๆจะนิ่งได้ต้องไม่ไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งมีแสงเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจมีเสียงเข้ามาก็ไม่ต้องสังเวมีความคิดมีอารมณ์อะไรเข้ามาก็ไม่ต้องสนใจมีภาพมีอะไรก็ไม่ต้องสนใจผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปใช้ลมก็อยู่กับลมไปถ้าใช้ลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ตอนเริ่มต้นก็ใช้สวดมนต์ไปก่อน เวลาเริ่มต้นสวดมนต์ใหม่ๆใจองอาจจะคิดมากฟุ้งอยู่ไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้ก็ใช้การสวดมนต์ปลอมใจให้ให้สงบก่อนให้หายฟุ้งซ่านก่อนพอใจหายฟุ้งซ่านแล้วก็ค่อยสลับมาดูลมหรือสลับมาใช้พุทโธต่อไปแล้วก็ให้อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอย่าเปลี่ยนอย่าทิ้งให้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะท๊ะ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 ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็ใช้วิธีนี้ทำต่อไปได้เลยแต่อย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้มันจะเป็นไปไม่ได้มันต้องวิธีนั่งที่ที่ถูกต้องสำหรับวันนี้จดจาวิธีนี้ไว้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรฝึกสติบ่อยๆในระหว่างวัน สามารถจเจริญสติได้ทั้งวันวทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับตดินขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปในใจเรื่อยๆหรือเข้าดูร่างกายเราว่ากำลังทำอะไรอยู่ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายต่อไปนี้ก็จะข อ, อนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปาริปุริติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตังนังอุปการปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสังมิจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะรัสุยถาเมณิโชติรัสุยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขิติคาโยโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง a c e b o o k พระอาจารย์สุชาติ251ท่านทาง y YouTube พระอาจารย์สุชาติ264ท่านทาง y o u t u ดรวีห้ท่านทางวิทยุออนไลน์6ท่านทางขับ h ฮ u s ์6ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ113ท่านรวมทั้งหมด690ท่านครับคุณโยมที่เมื่อกี้อยากจะถามของถาม ไม่ได้ถามคนที่ถามไปแล้วเหร อ, อไม่ถามก็เหร อ, อไม่ถามก็ไม่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมโครโฟนพูดจะได้ยิ น, นครับคงไม่ใช่คำถามอพอดีผมเป็นกลุ่มผู้ใฝ่ธรรมชมลมช้างปูนนะครับเป็นผู้บริหารของ s c ซที่เกษีณอายุแล้วนะครับจะมาะสักการะอาจารย์มาฟังธรรม ประมาณวันที่17พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับประมาณ70ท่านนะครับอันนี้ก็คือกราบเรียนท่านไว้นะฮะแล้วผมนัดกับคุณแก้วนะครับ เ, เพื่อเพื่อจะมาเตียนต่างๆนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากๆาครับกราบนวัศการพระอาจารย์นะครับขอเมตตา คำว่าใจเรื่องระหว่างฉันทะกับตันหาครับเมันมีความต่างกันตรงไหนผมเข้าใจว่าฉันทะนี่เป็นอยากด้านดีๆที่ตัวกิเลสส่วนตันหาเนี่ยจะไปตามกิเลสเขาไม่รู้เข้าใจถูกไหมครับก็ถูกแหละคำว่าตันหานี่มันหมายถึงการกระทาตามความอยากความต้องการของกิเลสที่จะนําไปสู่ความทุกข์นาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไป แต่ฉันท่านี่เป็นความยินดีในธรรมยินดีที่จะปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเป็นความอยากในด้านดีท่านก็เรียกว่าฉันทะความอยากในด้านไม่ดีเ็าเรียกว่าตัณหาความอยากก็ถูกต้องอยากจะไปนิพพานก็ต้องมีฉันทะาความอยากไปนิพพานนี้เรียกว่าฉันทะเพราะจะทำให้มีวิริยะแล้วก็มี ฐานธาบรยาิยะอะไรสติสมาธิปัญญาเนี่ยตามมา ค, ครับโอเค ก, ก็มีหนังสือแจกนะถ้าต้องการหนังสือเอาไปอ่านได้ที่ตั้งอยู่บนต้นถามคำถามเจ้าค่ะพูดดังๆหน่อยจ้กับธรรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคืออยากทราบว่าวิวจิกิจฉาเนี่ยเจ้าค่ะ เป็นความลงัลงเลสงสัยในทางธรรมอย่างเดียวหรือว่าเป็นความสงสัยในทางโลกที่เป็นรูปรดกินเสียงสัมผัสด้วยเจ้าคะคือทางธรรมเราวิจิตรฉานี่คือ ค, อความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาเองแต่ไม่ใช่ความสงสัยว่าเราไม่เข้าใจทางโลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ก็จะจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่มันไม่มันโดยหลักก็คือสงสัยในพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนสงสัสงสยเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องความสงสัยอะไรเจ้าค่ะกับมัพภธีการหลวงพ่อเจ้าค่ะคำถามจากคุณอาิวัน เมื่อคืนตอนตีสามีมขโมยขึ้นบ้านไปขโมยพระบนหิ้งพระจนหมดคนที่ไปขโมยจะมีผลบาปแบบไหนเจ้าคะก็ก็ได้ผลจากการไปรักขโมยเป็นการรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ได้เท่ากันเป็นขโมยเงินหรืขโมยพระพุทธรูปหรือขโมยสิ่งของอย่างอื่นก็ถือว่าเป็นการขโมยแบบเดียวกันบาป ก, ก็เท่ากันวิเคราอยู่กับคุณค่าของราคาของสิ่งที่ก็ขโมยไป ถ้าคุณค่ามากก็บาปมากคุณค่าน้อยก็บาปน้อยถ้าขโมยขยะไปก็ไม่มีบาปเลย่าดีทำบุญมาช่วยเก็บขยะให้คาถามจากคุณทวีเจ้ากรรมนายเวรหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะคนที่เรามีเรื่องกันเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรใช่ก่อนเ้าจะทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันมา พอชาตินี้มาเกิดมาเจอกันก็มีเรื่องกันต่ออย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหลายภพหลายชาติเดืนกันทีไรก็ต้องต้องล้างแค้นกันอยู่เรื่อยเรื่องเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรพิธีทําให้ไม่ให้มีเจ้ากรรมนายเวรก็คืออย่าไปทําอย่าไปทําร้ายใครอย่าไปสร้างกรรมกับใครใครเขาทําให้เราโกรธก็ให้อภัยเข้าไปแล้วเวรกรรมก็จะไม่มีตามมา คำถามจากคุณพันนีนั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งคิดไปหาลูกแล้วกลับมาพุโทโธใหม่แต่ก็รู้ตัวขอคำชี้แนะเพื่อจเจริญต่อไปเจ้าค่ะก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธอยู่เรื่อยๆพอเผลอไปคิดเรื่องอะไรก็ดึงกลับมาวิธีที่จะทำใ ห, ให้มันไปคิดก็คือเราต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องคอยควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนเราสามารถทาได้ควบคู่กับชีวิตประจาวันของเรา อาบน้ำล้วก็พุโทโธพุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็พุโทโธพุทโธไปรับประทานอาหารแล้วก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อเปื่อยถ้าเราควบคุมใจในแบบนี้ได้เวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วถ้ามันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่นานสี่ห้านาทีมันก็สงบได้คาถามจากคุณงงาเป็นเนื้องอก ถ้าเราทำบุญและภาวนาจะช่วยรักษาอาการป่วยนี้ได้บ้างไหมเจ้าคะรักษาใจได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับอาการป่วยของร่างกายได้แต่เรื่องของร่างกายนี้รักษาไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็รักษาร่างกายของพระองค์เองไม่ได้ถ้ารักษาได้ก็ไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลให้เสียเง <c oughs> ินเสียทองมานั่งสมาธิ <c oughs> เราก็จะได้ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้นั่งมาตั้งสี่หสิปีก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยนะ คำถามจากคุณกโนกวันเราจะวางใจอย่างไรเมื่อเรามีจริตชอบคิดมากกับทุกๆเรื่องคิดฟุ้งซ่านกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือคิดย้อนถึงอดีตเจ้าค่ะดึงมาคิดถึงพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นพอคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดึงมาที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วต่อไปมันก็จะหยุดคิดเองตอนนี้ยังไม่มีคาถามเจ้าค่ะ okay. yes. พุทโธนี้ช่วยเราหยุดความคิดเรื่องราวต่างๆได้พอเราคิดกังวลเรื่องนั้นคิดกังวลเรื่องนี้เราก็ดึงมาที่พุทโธพุทโธหรือถ้าเราอยากจะสวดมนต์แทนก็ได้สวดบทสั้นๆนก็ได้ยาวๆก็ได้สวดอิติปิโสไปก็ได้พุทธังสารงังกระชามนี้ไปก็ได้สวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดที่อยากจะคิดเรื่องนั้น <c oughs> เรื่องนี้มันก็จะหายไปพอมันหายไปเราก็หยุดเราก็หยุดสวดได้หยุดพุทโธได้คําถามจากคุณชาตรี พ่อชงเจ็ดองธรรมเพื่อการตัดสรุปของพระอนาคามีกับการละสังโยชน์เบื้องสูงมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันน่ะเป็นมรที่เป็นองค์8แล้วก็บางทีท่านก็แสดงในรูปแบบต่างๆกันบางทีท่านก็แสดงเป็นโพ่อชงบ้างบางทีท่านแสดงเป็นอิทธิบาท4บ้างบางทีท่านก็แสดงเป็นพระละห้างบ้าง N4 ห้าบ้าง เป็นธรรมอันเดียวกันเป็นเครื่องมืออันเดียวกันที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์สู่การบรรลุอริยมรรคผลกันยังไม่มีเจ้าค่ ะ, ะส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาสามองค์นี้เป็นหลักแตบ่บางองค์บางทีท่านก็ข้ามไปถ้าบางทีสอนพระนี่บางทีท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลเรื่องทานแต่พอมาสอนคารวะญาติโยมท่านก็พูดเรื่องทานเรื่องศีลก่อน เพราะว่าแต่ระดับมันมีความจําเป็นไม่ไม่เหมือนกันเั้นเรียนหนังสือระดับประถมระดับมัธยมนี้ถึงแม้จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันแต่ความลึกความตื้นลึกตื้นหนาบางไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสารภาพของผู้เรียนว่าเขาสามารถจะรับในในระดับไหนได้ท่านก็สอนในระดับนั้นไปท่านก็อยู่ในเป็นองค์มรรคท่านั้นเป็นเครื่องมือระดับระงับดับกิเลสตัณหาให้มันหมดสิ้นไปจากใจ คำถามจากคุณบอยหากปฏิบัติต่อมาจำถึงวิธีการนั่งสมาธิให้สงบไม่ได้ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไรนะค บ, เ, บเพราะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่พุโทโธพุโทโธคำถามจากคุณละเอียดคู่บุญบารมีกับคู่เวรคู่กรรมคู่บุญช่วย ให้ช่วยให้เราครอบครัวดีขึ้นใช่ไหมคะแต่คู่กรรมเคยทำกรรมร่วมกันมาใช่ไหมเจ้าคะคู่บุญก็คือผู้ที่ร่วมกันมาทำความดีร่วมกันช่วยเหลือกันรักกันสมัครสมานกันคู่กรรมก็คือคู่ที่ต่อสู้กันอยู่เรื่อยเป็นนักมวยอยู่คนละมุมกันทำอะไรก็ชอบขัดใจกันทาอะไรก็ชอบขัดขวางกัน เรยกว่าคู่คเวรคู่กรรมถ้าทําอะไรแล้วช่วยสนับสนุนการส่งเสริมกันนะคู่บุญคําถามจากคุณ24รอบตัวไม่ค่อยมีคนมีศีลธรรมเลยเจ้าคะ่ะแม้แต่คนในครอบครัวต้องวางตัววางใจอย่างไรเจ้าคะก็วางใจเฉยๆอย่าไปสนใจเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นอย่างนี้ให้มองเขาว่าเป็นเหมือนผลไม้ คนเรานี่มีเป็นเป็นเหมือนพลไม้หลายชนิดด้วยกันบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นมะละกอบางคนก็เป็นสับปะรดเราเป็นอะไรเราก็เป็นของเราไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นเหมือนเราก็แล้วกันถ้าเราอยากจะหาคนที่เป็นเหมือนเราเราก็ไปหาคนที่เขาเป็นเหมือนเราเช่ไปวัดอย่างนี้ถ้าเราอยากจะเจอคนที่มีศีลมีธรรมเราก็ต้องไปวัดกันถ้าเราไปตามบาตามผับเราก็จะไม่เจอคนที่มีศีลมีธรรม คำถามจากคุณนงงานั่งสมาธิแล้วเราจะพิพจารณ나ยังไงให้เกิดปัญญาและเห็นรู้แจ้งในร่างกายของเราเจ้าคะาการนั่งสมาธินี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการนั่งเพื่อพิจารณาให้เกิดปัญญานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิคนละคนละเรื่องกันเรื่องปัญญานี้ต้องรอให้เราผ่านขั้นสมาธิไปก่อนถ้าใจเรายังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบ ใจเราจะไม่มีกําลังที่จะไปคิดทางปัญญาได้เฉะนั้นทางปัญญานี้เป็นการเรียนรู้หาความรู้เวลาเจริญปัญญาานี้เราจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำให้ใจสงบเราจะเรียนรู้เพื่อว่าให้เห็นความจริงเช่น mm hmm. เห็นว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างเราก็เห็นว่ามีอาการสามสิบสองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันต่างๆสวยงามหรือไม่สวยงามไม่สวยงามเลยถ้าเรามองเข้าไปในสัดส่วนที่อยู่ท่อนเล็ อยู่ภายใต้ผิวหนังเป็นมีตัวตนหรือเปล่าว่าค้นหาก็ไม่มีมีแค่อาการสามสิบสองทำมาจากอะไรก็ทรมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปก็มีธาตุน้ำธาตุดินผสมกันลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมความร้อนที่เราได้จากแสงธาตุ ท, ศทิศก็เป็นธาตุไฟเมื่อธาตุทั้งสี่เข้าไปรวมในร่างกายก็เป็นมีการผสมปรุงแต่งกัน เป็นเหมือนกับปฏิกิยาทางเคมีนะนะประสมปุ่งแต่งก็สามารถผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาไปเสริมเป็นโถมไปเสริมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไปนะทะแท้จริงร่างกายนี้เป็ น, ปนการทํางานการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเวลาร่างกายตายไปธาตุทั้งสี่ก็แยกออกจากกันไปธาตุที่ไปก่อนก็คือธาตุลมตามไปด้วยธาตุไฟร่างกายก็เย็นลง แล้วก็ตามด้วยธาตุน้ําน้ําที่มีในร่างกายก็ไหลออกมาตามทวารต่างๆทิ้งไปนานๆก็แห้งกรอบเหลือแต่ธาตุดินไปพิจารณาแบบนี้เพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ําลมไฟที่เกิดแล้วต้องดับไปในวันหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดไม่คิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน เพราะว่าเวลาเราไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วเราก็ไม่ไม่ยุ่งไม่สนใจแล้วเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไม่สนใจจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นแต่เราไปมองเห็นว่าเป็นร่างกายของเราเราต้องพิจารณามองให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วดินน้ำลมไฟก็จะเอาร่างกายนี้ไปต่อไปเราห้ามเราห้ามไม่ได้ เราเป็นใจผู้มาสายร่างกายใช้อยู่ชั่วคราวก็ใช้มันไปเท่าที่จะใช้ได้พอถึงเวลาที่จะต้องคืนเข้าไปก็คืนเข้าไปเหมือนไปยืมของเข้ามาใช้เนี่ยแล้วพอเจ้าของเข้ามาทวงคืนเราก็ต้องคืนเข้าไปถ้ า, ายินดีคืนเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยินดีเราไม่อยากจะให้เราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีคำถามจากคุณนาวินจิตที่มีความกลัวจะแก้ได้อย่างไรครับ ก็สองวิธีนะวิธีแรกก็หยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวเช่เนไปอยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกว่ามีผีเข้ามาอยเงี้ยเราก็ใช้พุทธโธพุทธโธแล้วสวดอิติปิโสเราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอยู่กับการสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วใจเราก็จะสงบแล้วลืมเรื่องความกลัวไปเพราะความกลัวมันเริ่มที่ความกลัวมันก็เกิดจากใจเราไปคิดเองพอได้ยินเสียงก็ผีมาแล้พอเห็นอะไรแวบๆก็ผีมาแล้ว มจริงมันอาจจะเป็นริงจบทุกแกหยุ่ที่บนฟ้าบนเพดานก็ได้แต่เราไม่ได้ใช้ปัญญากันก็เลยใช้ความกลัวเข้ามาคิดว่าเป็นผีมึงก็เลยกลัวอันนี้ขั้นขั้นใช้สติหยุดความคิดถึงเรื่องที่ทาให้เรากลัวพอเราหยุดถึงหยุคิดถึงเรื่องที่เรากลัวได้ความกลัวก็จะหายไปวิธีที่สองก็คือถ้าเรามีสติพอใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างมากก็แค่ตาย ถึงอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มาแค่ทำให้ร่างกายเราตายนั่นเองแล้วยังไง ร, ร่างกายเราก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วถ้ามันจะต้องตายวันนี้ก็ยอมตายไปพอเรายอมตายไปว่าความกลัวก็จะหายไปแล้วจะหายแบบถาวรเลยถ้าใช้ปัญญาต่อไปจะไม่กลัวอะไรเลยเพราะพื้นฐานของความกลัวของเราก็กลัวความตายนี้พอเรายอมตายได้แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวอะไรคาถามจากคุณทวี คำว่าปฏิจจสมุบาญหมายความว่าอย่างไรครับก็เป็นแผนที่ของการทำงานของกิเลส เ, เริ่มต้นที่อวิชชาอาวิชชาผลักดันให้ใจสังขารความคิดปรุงแต่งปรุงใบหาวิญญาณให้วิญญาณบหารูปเสียงกลิ่นลดมาเสพพอได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดก็เกิดเวทนาเกิดความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็เกิดตัณหาความอยาก อยากได้สิ่งที่เป็นสุขอยากไม่ได้สิ่งที่เป็นทุกข์แล้วพอเกิดเกิดเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดอุปทานความยึดติดในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่สุขก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆพอมันไม่มีมันก็จะทําให้เราไปหาใหม่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปสร้างพบใหม่ขึ้นมาไปเกิดใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่นี่คือแผนที่แผนผังของการทํางานของกิเลสที่พาให้ดวงใจของเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เพราะความหลงที่ไปรักไปชอบสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องตัดความรักความชอบในสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ด้วยการทาสมาธิด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆพอหยุดได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะ เพรนปัญหาของเราก็คือความหลงความหลงหลอกให้เราว่าอยู่ในโลกนี้ดีมีความสุขราบยศสรรเสริญเนี่ยเนี่ยมกตั้งกันเมื่อวานนี้ก็เพื่อหาหายศหาตําแหน่งกันแต่หาราบกันเพราะมียศมีตําแหน่งมันก็มีอํานาจเมื่อมีอํานาจก็หาเงินหาทองได้เมื่อมีเงินทองก็สามารถไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขจากรูปเสียงกินรสต่างๆได้มันก็เลยทําให้มาหลงกันแต่ไม่เคยคิดว่าของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราว เวลามันหมดไปก็จะทําให้ใจทุกข์เช่นพอพยุบสภาปั๊บก็ตําแหน่งต่างๆอํานาจต่างๆก็หายไปหมดใจก็เศร้าขึ้นมาทันทีแต่ไม่เข็ดก็หาใหม่รอบต่อไปทํำเอจนกว่าจะจนกว่าจะไม่มีกําลังหาทั้งๆครับถึงจะหยุดแล้วก็ต้องเวลาแก่เจ็บตายก็ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสวนสุขได้ไม่เห็นความทุกข์กันพระอาจารย์งสอนให้เราเห็นความทุกข์ที่มันเกิดในโลกนี้ เพที่จะทให้เราจะได้ไม่อยากจะกลับ ม, มาเกิดอีกอีกัไปครับกับนวัตการพระอาจารย์ครับขอแนทเรียนถามเรื่องเอ อ, อินสี่ห้ากับพละห้าสองสองหมวดนี้จะองค์ธรรมจะคล้ายๆกันที่ผมเข้าใจคืออันนึงเป็นใหญ่ในหน้าที่เา้าอันหนึ่งก็คือก็คือมีกําลังย่กลมทําตรงข้ามผมยกตัวอย่างว่าวิริยินสี่เนี่ยเป็นใหญ่ทางด้านความเพียรแต่ตัววิริยพละนี่มัน เป็นใหญ่ทางด้านขจัดความเกียดกร้านที่ผมสงสัยคือคําว่าวิริยะเินเสียครับอาจารย์ลักษณะเป็นยังไงครับอินทรีย์กับภละมันอันเดียวกันอันเดียวกันต่างกันที่กําลังอินทรีย์นี้เป็นกําลังของเด็กพกูด ง, ง่ายๆก็กำลังน้อยเริ่มตั้งแต่อินทรีย์ก่อนออรเราส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เรามีแค่อินทรีย์กันครับจะเป็นภาละเมื่อเราเข้าสู่ระดับอริยมรรยภาพผมอ๋อครับพอเราเข้าสู่ระดับอริยมรรยภาพผมไม่ได้เป็นภาร ะ, ะขึ้นมา ก็เกิดจากการพัฒนาครับอินทรีย์ต่างๆที่เราไม่อยู่นี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับช่นวิริยะก็ทําความเพียรให้มากขึ้นทานที่นั่งสมาธิเวลาครึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงพัฒนาขึ้นไปครับพอพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนจากจากเด็กแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ไปเด็กก็มีกําลังระดับของเด็กแล้วพอเด็กพัฒนาโตขึ้นร่างกายใหญ่ขึ้นมีกําลังมากขึ้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ไปก็มีกําลังมากขึ้นอืม กา ร, รเหต่างกันแค่ความมากความน้อยครับขอบพระคุณครับต่อกลัง<อ>คำถามจากคุณนงาเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าปัญญาเราเกิดขณะนั่งภาวนาค่ะ เ, ออเวลานั่งภาวนาไม่เกิดปัญญาเราเกิดสมาธิเป็นหลักนั่งเฉยๆนั่งหลับตานี่เราจะเห็นความสงบของใจเกิดขึ้นมาแต่ปัญญานี้ต้องเกิดจากการที่เรา มีทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วเราใช้ปัญญามาดับความทุกข์ดได้เช่นใครเขาด่าแล้วเราใจเราทุกข์อย่างนี้แล้วเราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าอา้าก็เขาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้หรือเปล่าเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่หรืเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ถ้าเราปล่อยให้เขาด่าไปเราก็จะไม่ทุกข์ก็ต้องปล่อยวางอันนี้คือปัญญาเห็นว่าคนที่ด่าเราเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ แล้วความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราที่อยากจะให้เขาพูดดีกับเราพอเขาไม่พูดดีกับเราเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายอมให้เขาด่าก็ได้ชมก็ได้แล้วแต่เขาเ็าจะพูดอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับการพูดของเขาความทุกข์ก็จะหายไปคำถามจากคุณยี่สิบสี่คนโกงเลือกตั้งจะได้รับผลกรรมอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนคำวยขน ม, อ <laughs> มนเมออเอาหวยเข้าของเงินทองเหมือนกัน คำถามจากคุณนีละการคุณพ่อเพิ่งเสียคุณแม่พูดว่าพ่อมาหาบ้างไหมแม่คิดถึงจะบอกคุณแม่อย่างไรในการวางใจและไม่ให้ท่านมีห่วงคำหนึงคะน่าจะห่วงค่ะห่วงคำหนึงค่งก็บอกว่าเราแล้วแต่แล้วแต่พ <Network> ่อดวงวิญญาณของท่านท่านจะมาก็มาท่านจะไม่มาก็ไม่มาเราไปสั่ง <TP> ท่านไม่ได้ ยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะ เ, คเป็นอนัตตาเหมือนกันทุกอย่างเป็นอนัตตามหมดมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเชิญถามได้นะหนูหนูอยากจะถามเลยเอ้าวส่งไมไปหน่อ ย, อ ส, อยอส่งไม้ไปให้นี่ก่อนนะ่ถ้า เ, าเรามีนักเรียนที่ มีพฤติกรรมอาจจะดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจอาจจะไม่แน่ใจว่าคล้ายๆเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอะค่ะ เ, เราจะวางตัวยังไงให้ไม่ไม่ให้เป็นการป้องกันตัวแล้วก็ไม่ให้เป็นการขาดเมตตาค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะให้เราขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะ ขอบพคุณก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะช่วยเขาหรือเปล่าแล้ว oh. สิ่งที่เขาบอกเราเป็นจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องวิเคราะห์ดูถ้าเขาหลอกเราก็ไม่ต้องช่วยเขาถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้เราไม่แน่ใจก็ปฏิเสธไปก่อนก็ได้อันนี้ mm hmm. บางครั้งก็ต้องขาดความเมตตาเพราะ oh. ถ้าเมตตาล้วถูกเขาล่อลวเปรียบถูกเขาถูกเขาทาําทลายเราทําร้ายเราเราก็ต้องป้องกันตัวเราไว้ก่อน เช่นเรากลับรถไปคนเดียวผู้หญิงเนี่ยแล้วมีผู้ชายโบกขอขอขึ้นด้วยเราจะรั บ, รบเขาหรือเปล่าไม่รับค่ะไม่เมีตาไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราก่อน <c oughs> องั้นเมื่อเราไม่มั่นใจเรากลัวว่าจะไปเกิดอันตรายกับเราเราก็ต้องเราก็ต้องระ ง, งับความเมตตาไว้ก่อนใช้อุเบกขาแทนเป็นกรรมของเขาไปต้องเดินต่อไปแล้วสมมติว่าถ้าเขาเไปถูก จับหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ <ไป S 2> สมมตินนะ ถ, ถ, ถูกทางการจับหรืออะไรแบบเนี้ค่ะถ้าเขาเป็นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ็ะ <c oughs> เรื่อง ข, ข, ของเขาเขากรรมของเขาเขาทาอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราถ้าเขาไม่ทําก็ไม่ถูกจับไม่ถูกลงโทษแล้ว ถ, ถ้าเขาทาก็ต้องถูกจับถูกลงโทษไปเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนอกจากเราช่วยเขาบอกเขาว่าอย่าทําดีที่สุดแต่ถ้าเขายังฝืนก็อยากจะทําก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ เราก็ต้องทอําใจเป็นโอเบคขาไปวางเฉยขอบคุณพระคุณค่ะ อ, อมีท่านคุณผู้หญิงอยู่ตรงนั้นอยากจะถามาการาบมาสการพระอาจารย์ค่ะคุณแม่ฝากถามอยากขอให้พระอาจารย์ออธิบายสัมมาทิฏฐิค่ะสัมมาทิฏฐิก็คือความจริงความเห็นจาบความเป็นจริงเช่นเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริง นรกเกิดจากการทำบาปสวั์เกิดจากการทำบุญการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายใจไปเกิดใหม่อันนี้คือสัมมาทิฏฐิโดยหลักก็คือมีความเห็นตามเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดท่านนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิขอบคุณเจ้าค่ะคำถามจากคุณวรพงษ์ การสวดมนต์กับการนั่งสมาธิอันไหนให้อนิสง์ผลบุญมากกว่ากันครับก็แล้วแต่ว่าได้ความสงบหรือไม่บางทีสวดมนต์อาจจะได้ความสงบมากกว่าเวลานั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วไม่สงบก็อยู่ที่ผลว่าสงบหรือไม่สงบแล้วก็โดยหลักแล้วการสวดมนต์นี้จะสงบน้อยกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิจะได้ความสงบมากกว่า แต่บางครั้งถ้าเราสติไม่มีกำลังที่จะไปทำนั่งสมาธิให้สงบได้บางทีเราก็ต้องอาศัยการสงบจากการสวดมนต์ไปก่อนคำถามจากคุณคณิษฐาดวงวิญญาณสามารถกลับมาบ้านได้ไหมเจ้าคะได้บางบา ง, บางดวงนะไม่ใช่ทุกดวงนะอย่างในพุทธการท่านก็มีบอกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนี่เป็นคนที่รักเงินหวงเงินหาเงินได้มาเท่าไหร่ก็เอาไปฝังดินหมด เก็บไว้ไม่ยอมไปทําบุญทําทานไม่ไม่ยอมให้ลูกลูกหลานได้ใช้แล้วพอตายไปความผูกพันกับเงินนี้ก็พาให้มากลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านแล้วพอพระเจ้าเดินผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้ก็บอกไอ้นี่มันบอกลูกหลานว่านี่เป็นพ่อของเธอนะเลี้ยงมันให้ดีนะอย่าให้มันหนีไปไหนนะเพราะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้เอแล้วก็พาไปขุดจริงๆริงคำถามจากคุณงงา วิปัสสนากับการนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรเจ้าคะนั่งสมาธิคือการพักจิตหยุดจิตพักผ่อนวิปัสสนาคือการเรียนเรียนเพื่อแสวงหาปัญญาความรู้ในขันห้าว่าปิฏนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นคนละเรื่องกันก่อนที่จะไปเรียนได้ต้องพักผ่อนหลับนอนกินข้าวให้ฟอก่อนเหมือนนักเรียน ก่อนจะไปเรียนหนังสือก็ให้นอนหลับให้พอกินอาหารให้พอแล้วเวลาไปเข้าห้องเรียนก็จะได้มีกําลังที่จะตั้งใจเรียนได้ถ้าไม่มีกำลังถ้าไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้กินข้าวนี้พอไปเรียนจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะใจมันจะไปหิวโหวยกับอาหารหิวโหวยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือความความแตกต่างระหว่างสมาธิกับปัญญาหรือวิปัสสนาสมาธิเป็นการให้กําลังใจก่อนเสริมกำลังใจให้ใจสงบ ใจสงบแล้วใจจะมีความสุขจะมีความอิ่มแล้วจะมีกําลังที่จะตั้งใจฟังได้ตั้งใจคิดได้ส่วนปัญญานี้เราต้องคิดคิดค้นหาความจริงหาความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นแเราก็ต้องไล่ไปต้นไม้นี้เที่ยงไหมอะไรต่างๆที่เราเห็นนี่มันเที่ยงหรือเปล่ามันจะอยู่ไปตลอดหรือเปล่าเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้ไปได้ตลอดมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปก็เห็นอนิจจัง แล้วถ้าเราไปยึดไปติดของที่มันจะดับมันก็จะทําให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปยึดไปติดเพราะเขาไม่ใช่เป็นของที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเขาเป็นอนัตตาไ ม, ไม่มีเจ้าของเราไม่สามารถเอามาเป็นยึดครองเป็นของของเราได้ถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่มีคำถามแล้วเ<ม>จ้าค่ ะ, คะโอเคเวลาก็หมดพอดีสําหรับวันนี้